ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงพระพุิธญาณได้นำเสนอเมตตาบารมีมาตามลำดับอนก่ในพูดถึงลักษณะของเมตตาตามที่ท่านให้นิยามไว้ในอภิธรรมมัตสังกะหะคือความเป็นไปในการที่เกื้อกูล หมายความประการกระทําก็ตามการพูดก็ตามที่สืบเนื่องมาจากความคิดอันกรอบด้วยเมตานั้นผลที่เกิดขึ้นจากการทําการพูดหรือแม้แต่ความคิดจะมิลักษณะเกื้อกูลอย่างไม่มีอะไรก็เกื้อกูลเราเป็นเบื้องต้นดังนั้นเราจึงพบว่าผู้วจีทุตสุจริตทั้งสี่ประการ มันเป็นการพูดที่มีพื้นฐานอยู่ที่เมตตาต่อผู้ฟังบางครั้งก็ส่งใช้คําโดยสรุปว่าเมตตาวาจาเพราะถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อผู้ฟังแล้วเนี่ยก็ต้องพูดคาสัตย์คําจริงกับเขาผู้ส่งเสริมสามาคัคคีประสานสามาคัคคีกระชับสามาคัคคีวาจาที่เป็นออกภาษาที่สื่อสารกับเขา เป็นวาจาที่ไพเราะสบายหูสบายใจแล้วก็เกิดสาระประโยชน์แก่ผู้ฝังหรือแม้แต่การกระทําที่เราเรียกว่าเป็นเมตตากายกรรมไม่ว่าเป็นระดับงดเว้นซึ่งก็ให้เกิดสวัสดิภาพในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินและครอบครัวของบุคคลอื่นหรือเป็นรูปของสวัสดิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพยาบาลคนอื่นก็เป็นอาการของเมตาตาเมตตาจะแสดงในลักษณะใดก็ตามพิสูจน์ได้โดยการคือคุนแต่ว่าข้อนี้อย่างที่เคยบอกไว้ว่าในแง่ของความเป็นโลกความเป็นสังคมความเป็นสัตว์โลกนี้ จะต้องมีการสังเกตรตรวจสอบกันพอสมควรเหมือนกันหากว่าเป็นการแสดงมาจากบุคคลอื่นซึ่งเราไม่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยเพราะว่าอาการหลอกอาการลอ่ออาการลวงอาการปิ้นปลอ้อนอาการสับปรับหน้าเนื้อใจเสือบันก็อาจจะมองเห็นว่ามันเป็น เ, เรื่องเกื้อกูลเรา แต่การกระทำเช่นนั้นก็ลักษณะคล้ายๆกับพรานเบ็ดตกเบ็ดหรือถ้าตัดสินเฉพาะการให้อาหารแก่ปลาก็ดูแล้วก็เป็นการกื้กูลต่อปลาแต่ถ้ามองระยะช่วงยาวก็คือปลาก็ตกเป็นอาหารของพรานเบ็ดก็แสดงว่าวิธีการนี้เป็นวิทีการปล่อยเหยื่อคือล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆเพราะการแยกบางครั้งบางคราวก็แยกจาก จะต้องมีการสังเกตในการสวจ ส, สอบมีการพิจารณาแล้วกว่าจะตัดสินอะไรลงไปว่าถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีหรือผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากแล้วก็มักจะกลบเกลื่อนปกปิดความไม่สุจริตของตนเอาไว้ นั่นเป็นอาการของสิ่งที่เรียกอุปกิเลสเพื่อการปรากฏในรูปรคล้ายๆกับธรรมะในบางทีมันเป็นอาการของอธรรมเช่นมารยาคือการเสรแสร้งการโอ้อวดการแข่งดีหรือการล่อกันหลอกกันลวงถ้าดูภาพที่ปรากฏแล้วมันก็เหมือนกับจะเกื้อกูล วันจะต้องมีการตรวจสอบพิจารณาให้ดีอย่างที่โบราณถ้าก็ตักเตือนสั่งสอนไว้อยอะจะหน้าเนื้อใจเสือก็เหลือครบข้างนอกกรอบหวานไว้ข้างในขมก็แสดงว่าเวลาเราสัมผัสข้างนอกมันก็มีแนวไปในทางสร้างสรรค์แต่ลึกๆ ล, ลงไปก็กลายเป็น ความคิดอาฆาตมาต ร, ร้ายหรือมุ่งหวังประโยชน์จากบุคคลอื่นคือสัตว์โลกเราเนี่ยจุดอ่อนที่สุดก็คือเรียกว่าโล ก, กาภิตธคือเหยือ่อเหยื่อล่อของโลกเนี่ยแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ซําๆซากๆคือคนต้องการผลประโยชน์จากบุคคลอื่นเนี่ยมันเป็นการล่อโดยผลประโยชน์แล้วคนเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือ หรือว่าคมรคูให้กลัวให้หวาดกลัวหรือไม่งั้นก็หมอมเมาให้เกิดความรุ่มลงลักษณะทั้งหมดเป็นอาการที่ปรากฏคล้ายๆกับเมตตาถ้ามองสั้นๆก็ดูเหมือนจะเกิดเป็นประโยชน์แก่เราแต่พอมองระยะยาวเราก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นถ้าเรามององค์ธรรมแล้วมันจะสะท้อน สะท้อนซึ่งกันและกันอย่างตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะในรูปที่คนซึ่งไม่รู้จักคุ้นเคยมาก่อนแต่ต้องมาอยู่ร่วมกันมันจะต้องมีพื้นฐานของความเป็นมิตรเมตตีหรือเมตตาเช่นสมมติว่าชาวบ้านกับพระเนี่ยที่จริงไม่รู้จักกัน มันก็อาศัยภาพลักษณ์ของความเป็นพระแล้วพูจริงชาวบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านักถือศาสนาอะไรโดยสัมพายเราไม่รู้จักแต่มันก็รู้กันด้วยใจและตามปกติแล้วเนี่ยพระเราก็เป็นบุคคลที่เอามาฝึกปลืออบรมไม่ใช่เป็นบุคคลสําเร็จรูป ในลักษณะที่เราคาดหมายเอาเราคาดหวังเอาตำหนองอว่าเปิดปุ๊บติดปั๊ปบแต่ที่จริงก็ไม่จะเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆปัญการเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์การเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยมันจะต้องพบกันด้วยเมตตาโดยกันทางสองฝ่ายคือความรู้สึกเป็นมิตร แล้วก็มีการพูดมีการกระทํามีความคิดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกันแา่นั้นถ้าเรามองในที่ถกก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงหน้าที่ของชาวบ้านที่จะพึงกระทําต่อพระเอาไว้ห้าข้อเมตตากายกรรมจะทําอะไรกับพระทําอะไรที่เกี่ยวกับพระก็ต้องให้ทำด้วยเมตตาคือบางครางบางคราวเราพูดในแง่มุมหนึ่ง ได้ลืมอีกหลายๆแง่มุมอย่างเช่ก่อนฟังรายการธรรมะมีโยมก็โทรมาพูดกับวิทยากรมีการเสนอให้พระจจัดกิจกรรมฝึกอบรมโยชนทำดำเนินกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่า ง, งานั้นจูว่าไปก็พูดในธรรมนองคล้ายๆกับ ว, วัดดึเงินจำนวนมหาศาล แต่ว่าท่านก็ลืมไปว่าเงินเนี่ยเขาจะชาวบ้านเขาบริจาคเนี่ยเขาบริจาคระบุวัตถุประสงค์ไว้เราจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้พระยังอยู่ในวัดอย่างนี้ญาตมายอยู่ในวัดบวรเนี่ยสาสิบกว่าปีเราไม่เคยจ่ายสตางของวัดเพราะอะไรเพราะว่าเขาบริจาคระบุวัตถุประสงค์ไว้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจ่ายอะไร แล้วตัจ่ายก็จ่ายไปตามวัตถุประสงค์ที่วัดเขาบอกไวท้ที่ที่ชาวบ้านก็บอกไว้แต่พอจะกําหนดเป็นวัตถุประสงค์ขึ้นสมมุติว่าจะตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิเพื่อปลือปอปอ้อบลมอบรมเยาวชนเนี่ยทํายากนะจะหาคนสนับสนุนยากเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่เห็นว่าเป็นหน้าที่อะไรของพระก็มีพ่อแม่ก็มีครูบาอาจารย์เขามีอะไรอยู่แล้ว และอีกอย่างหนึ่งมันมีความค่อนข้างเป็นนามธรรมคือว่าเขาไม่รู้ว่เงินทองเขานั้นเป็นรูปธรรมอยู่ที่ไหนคือในภาคสนามแล้วจะจะไม่ใช่ง่ายเลยนะที่จะทําเลยแต่เพางั้นเราทําได้กันนานแล้วอย่างตัวอย่างโครงโครงการของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในดําเนินงานในเพื่อการนี้โดยเฉพาะแต่ว่าจริงเราก็ทําไม่ได้คือโตไม่ได้เพราะไม่มีเงินที่จะขยายงานออกไป กิจกรรมันก็ทำไปในแนวภาพกว้างออกวิทยุบางออกโทรทัศน์บางทำหนังสือบางแต่การเดาเด็กมาเข้าใครแต่ละทีนี่ลงทุนเยอะนะนั่นคือเขาเขามองไปในมุมหนึ่งแล้วพอพระทำไม่ได้เนี่ยเขาก็ด่าว่าเรียกการออกจากพระแต่ถ้าพระเกิดทำพระก็ต้องอบัตพระก็หมดความเป็นพระอีกผลเมตตามันจึงมีปัญญากำกับอยู่ตรงนั้น กิจกรรมในทางศาสนาเนี่ยคือถ้าอะไรก็เรียอะไรอะไรก็เรียอะไรเนี่ยมันจะกระทบกระทือนเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีกิจกรรมในการเดีไรหรอกมันก็มีบ้างในบางวัดจนเขาก็มีความจําเป็นโดยเงื่อนไขของสังคมแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเริ่มกิจกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มการเรียอะไรขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จ่ายเงินผิดประเภทก็ไม่ได้ เราบอกว่าถุประสงค์ที่ญาติโยมสนับสนุนอย่างเนี้อยอย่างเราพูดถึงการถึงเรื่องจะให้เกิดบวชภิกษุณีขึ้นมาอะไรแถบ น, นี้วันก่อนก็ได้ยินนักปรชาการเขาพูดกันคือเขาไม่มองว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสังคมโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่สนับสนุนกันเองถ้าผู้หญิงก็เกิดสนับสนุนกันเนี่ยภิกแม่ชีก็จะมีสถานะ มีความรู้มีความสามารถมีพัฒนาการด้านต่างๆสามารถสร้สางสรรค์งานให้เกิดขึ้นกับสังคมได้และพุทธทาปยน์ความผิดให้พระว่ไม่จัดการให้เขาเป็นภิกษุณีก็จัดไม่ได้อันนี้คือปัญหาทางวินยัยว่าพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะบวชผู้หญิงเป็นภิกษุณีนะสมัยพุทธกาลก็ เ, เหมือนกันพระพุทธเจ้าบวชให้เฉพาะชุดแรกเท่านั้น ชุดต่อมามันภิกษุณีต้องบวชกันขึ้นมาก่อนแล้วก็มาใกล้ๆการสงลงมัติยอมรับเท่านั้นมาลำดับขั้นตอนมันไม่มีขั้นตอนแรกไม่มีแล้วขั้นตอนที่สองก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยแม้การกระทาที่กรอบโดยเมตตารือการพูดที่กรอบ้วยเมตตามันต้องมีปัญญาศึกษาในแง่มุมต่างๆอีกเป็นมากถ้าไม่งั้น โอกาสที่จะเกิดความลำเอียงหรือเกิดอคติมันก็มีได้ง่ายเวลาพูดถึงหรือพูดด้วยเนี่ยก็พูดด้วยเมตตาคือมันไม่ใช่ไปพูดถึงว่าพระสามแสนจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะไม่มีพระที่ไหนสามแสนหรอกพระที่ทำงานได้ในเมืองไทยเนี่ยต่มาคิดว่าสักสี่หมื่นเนี่ยก็บุญแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าในแต่ละวัดเนี่ยมันเหมือนกับครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนะคือคนแก่กับเด็กนี่จะมากคนทำงานได้ในมีไม่กี่คนหรอกวัดก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือว่าพระที่เป็นนักเรียนเนี่ยจะมากแล้วก็พระแกะ่พระทํางานก็เกื้อกูลทั้งนักเรียนแล้วก็เกื้อกูลทางพระแกะ่ก็มีจํานวนไม่กี่รูปหรอกพอจะทํางานก็จริงเนี่ยอย่างวัดบว ร, บ ร, บรเวลาบวชผลัดฤดูร้อนเนี่ยต้องเอาพระวัดอื่นมาช่วย เราไม่มีพระขอที่จะทํางานแล้วบางทีไม่ใช่อาวัดอื่นมาช่วยเฉยๆคือต้องไปขอสถานที่วัดอื่นด้วยเพราะวัดก็ไม่มีที่ที่จะให้การฝึกปลือยอบรมอย่างพระดูร้อนทุกปีเนี่ยเราก็จะไปที่จังหวัดระยองกับที่วัดญาณสังวรารามวัดวรมันก็รับพระได้นิดเดียวเองนั่นคือปัญหาจริงๆว่าในวัดอื่นเขาก็จะมีลักษณะอย่างนั้น่ะ เรื่องทั้งหมดจึงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายและเอาก็จริงเนี่ยสมมติว่าเราเกิดพร้อมหมดทางวัดเนี่ยเด็กแกก็เรียนนะทางโรงเรียนเขายอมให้เวลาหรือเปล่าล่ ะ, ะตอนปิดเทิมก็คือปิดเทอมปิดเทิมเด็กก็กระจายหมดก็รวมเด็กไม่ได้แล้วก็ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่ภารกิจทางศาสนานี่มันจะเยอะมากก็เรียกว่าตอนเทอมตอเนี้ยตอนตอน ตั้งแต่เดือนอะไรมาเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษามาเนี่ยจนถึงเปิดภาคการศึกษาวันที่เท่ษษาไรสิบหกพฤษภาตั้งแต่มีนามาแล้วมั้งฮนั่นคือเป็นช่วงที่ทางวัดก็มีงานเยอะแล้วเด็กแกก็พักผ่อนแล้วก็ทําไม่ได้พอมาทําภาคที่เปิดเปิดภาคการศึกษาเด็กแกก็มีชั่วโมงเรียน คือพูดนี่มันมั น, ม, น, ม, นมันพูดได้อะนะแต่ว่าภาสนามนี้แต่และเรื่องนี่ไม่ใช่ง่ายเลยวเวลาจะเอาเวลาจากตรงไหนมาอบรมนักเรียนมาเอานักเรียนมาเข้าค่ายซึ่งก็หมายความว่าต้องเป็นนโยบายของกระทรวงลงมาสั่งที่กรมมาสั่งมาถึงสถาบันการศึกษ า, าต่างๆเ่อ จ, จัดเวลาแล้วเวลามันก็จัดไม่ได้มากหรอกหรือว่าแม้แต่จะเอาพระไปสอนในโรงเรียน เขาก็จริงต้อง ค, อค่อยๆเติบโตขึ้นนะคือพระเองก็ต้องฝึกไม่จะมาสอนได้ทันทีทันใดนะมันต้องเข้าหลักสูตรอบรมเป็นพิเศษในเวลานี้บางทกีก็ฝึกในลักษณะสุกเอาเอากินแม้จะทํามาทูตไปตามประเทศเนี่ยเข้าฝึกอบรมเพียงเดือนเดียวอย่างนี้จะมาบอกว่าสองปีก็เอาไม่ค่อยไหวนะมันไม่ใช่เรื่องเลไรง่ายๆอ่นะ แต่และเรื่องเนี่ยเราจะอธิบายทำมาให้ถูกต้องสอดคล้องกันได้ทั้งหมดเนี่ยไม่จะว่า น, นิ่งๆเป่ากระหม่อมเอาได้เพราะในพื้นฐานเมตตาเนี่ยมันจะมีความเข้าใจมันจะมองแง่มุมในการมองเมตตาจึงต้องมีปัญญาเข้ากำกับไม่ใช่ว่าเมตตาไปลอยๆแล้วก็พื้นฐานความคิดก็กอบไปเมตตาก็ยังเมตตามโนกัมเป็นเมตตาเป็นความรู้สึกนึกคิด ว่าอย่าไปตั้งความหวังว่าพระบวชปั๊บแล้วบริสุทธิ์หมดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แ ล, แล้วแล้วไม่เคยเป็นไปได้ด้วยนะนอกจากว่าท่านที่บรรลุมรรคผลเป็นพระหันในสมัยที่เป็นคารวะแล้วก็ออกบวชเลยอันนั้นก็ใช่แต่นั้นมันหนึ่งในหมื่นในใ น, ในหลายร้อยล้านน่นนะมันไม่ใช่เรื่องที่ทาได้ง่ายหันใจทีเมตตาเนี่ยมันจะเข้ามองเข้าตรวจสอบ แล้วก็ยอมรับสภาพในเรื่องดังนั้นปรับเป็นการอดทนปรับเป็นการให้อภัยกลับเป็นการรอคอยแล้วก็ยอมรับวุฒธธิภาวะของท่านเหล่านั้นมันไม่ใช่ไปคาดหวังว่าทุกคนเป็นพระหันที่น่าน้อยใจคือบางทีนี่คนที่บวชแล้วสึดไปแล้วเนี่ยออกไปพูดอยู่ข้างนอกพูดโดยลืมหลักความจริงว่าตอนตนอยู่เนี่ยถ้าทำง่ายอย่างนั้น เ, นเราก็บรรลุมผลกันหมดแล้วหรอ แต่เรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉนั้นการมองโดยเมตตาเนี่ยมันจะเกิดเป็นความเข้าใจเห็นไหมเรามองเด็กเรามองโดยเมตตาเนี่ยเด็กก็ซนไปบ้างก้าวร้าวไปบ้างดื้อบ้างดื้อไปบ้างทํางานอะไรก็ไม่เรียบร้อยบ้างเราก็อดนทนได้นะเอาัยได้เพราะเราเข้าใจว่าถือเป็นเด็กแล้วเมื่อท่านมาสู่สํานักตนเอง ก็พร้อมที่จะต้อนรับและบางโอกาสมีกำลังทรัพย์มีกำลังศรัทธาพร้อมที่จะไปหาพระธนุบารุงด้วย จ, จิตปัจจัยตามกำลังทรัพย์กาลังศรัทธาที่ทําได้ก็ไปสองนันเป็นการพิสูจน์เมตตานะสองข้อข้างหลังในพิสูจน์วาเราเมตตาจริงคือไม่ใช่พูดแต่ปากหรือว่าเทียงแต่การกระทา แต่พร้อมที่จสะสละส่งเสริมสนับสนุนโดยจะตุปปัจจัยทยธรรมเพื่อให้ท่านสามารถครองเพศฟรมจันยอยู่ได้และท่านชาวบ้านเองก็พระเจ้าก็สอนในพระแสดงออกซึ่งเมตตาแต่ค่อนไปทางการุณานะคือหนักไปทางกรุณาก็หมายความว่าเป็นเมตตานั่นเอง เพียงแต่ว่ามองในการช่วยแก้ปัญหาช่วยบำบัดทุกข์ให้ก็ทรงแสดงไว้ถึงหกข้อว่าว่ากล่าวตักเตือนแนะนําให้สติไม่ให้ชาวบ้านทําความชัว่วให้สติตักเตือนแนะนําให้เข้ากระทาความดีทรงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ําใจที่งงดงามคือไม่หวังผลตอบแทนไม่มีลักษณะอ่อยเหยื่อตกเบ็ด คือความสุขจากการสงเคราะห์นั้นเป็นเป้าประสงค์ได้ช่วยเหลือได้เผยแผ่ศาสนธรรมในทางพระพุท ธ, ธรราศาสนาแล้วก็ญาติโยมก็ได้รับรู้ธรรมะเหล่านั้นแต่า ก, การสงเคราะห์ของพระส่วนใหญ่มันก็เน้นไปที่ธรรมสังกหะนสงเคราะห์โดยธรรมเราจะให้สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของก็ไม่รู้จะสงเคราะห์ยังไงเหมือนกัน เล็ก ๆ, ๆน้อยบางครั้งเนี่ยก็พอไหวนะแต่ว่าถ้ามากๆมันก็ไม่รู้จะทํำยังไรรงวันก็ไปคาดหวังในเรื่องบางเรื่องนะครซึ่งมันมีเงินอยู่เบื้องหลังเขื่ อ, อตมายังมองว่าคราวๆเรื่องธรรมกายเนี่ยว่ารวยเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันไม่มีทีิวทัศอื่นนะต้องเข้าใจนะเพราะว่าในประเทศไทยไม่มีหรอกที่ว่าเงินเดินทําพันล้านเนี่ยไม่มีหรอก ถ้าจะมีอีกสักแห่งก็เห็นจะเป็นวัดโสธรหรือวัดไร่ขิงเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงพันล้านหรอกแม้แต่เงินศาสนาสมบัติกลางเองนะฮะยังไม่ถึงพันล้านเลยเดีย๋ยวต้องเข้าใจนะศาสนสมบัติกลางคือศาสนาสมบัติอสสตของพระศาสนาทั้งประเทศเนี่ยยังไม่ถึงพันล้านเลยนับปราชาอะไรกับพูดถึงวัดเล็กวัดน้อย อย่างวัดประวรเนี่ยเคยมีข่าวลงซื้อพิมพ์ดานองว่ารวยมหาศาลว่าทรัพย์สินของวัดถึงห้าพันล้านไปดูไปดูมาเขานับที่ดินด้วยนับอะไรหมดเลยก็ใช่ก็แต่อย่างนั้นก็ได้นับที่ดินกันไปด้วยที่ดินมันก็ต้องสามสิบไร่นะที่ดินแถววัดประวร์มันก็ไร่หนึ่งไม่ใช่ตารางวานะก็ห้าแสนนะไปคิดอย่างนั้นมันคิดได้แต่มันไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะนะ ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรเพราะว่าสิ่งล่านี้เราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ที่ดินก็ใช้ในฐานะเป็นที่อยู่อาศัยเท่า น, นั้นเองไปใช้ขายไม่ได้แปลสภาพเป็นเงินไม่ได้แล้วเราก็พูดทํานองให้ชาวบ้านก็เกิดความสับสนว่าเป็นเงินมันก็แสดงเราก็ขาดเมตตาและขาดความสุจริตใจขาดความจริงใจทำให้ภาพเนี่ยมันพร่ามัวไม่ชัดเจน เพราะในแนวการสอนธรรมะของพระพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าให้ชาวบ้านได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เขาฟังแล้วให้แจงแจ้งบอกทางสวรรคิดด์ให้เห็นไหมทั้งหมดนั้นถ้าเราไม่ไม่ตาหวังดีมันก็ทําไม่ได้แล้วก็ไม่ทำอย่างเวลาเนี่ยกิจกรรมที่พระออกทางวิทยุออกทางโทรทัศน์กันมากเนะี่ยก็ส่วนหนึ่งคือ ค่าเช่าสถานีมันแพงก็มีคนก็ไปอุญญาตให้พระโดยลดราคาลงไปบ้างาพระเองก็เห็นเป็นการเวโรกาญาติโยมสนับสนุนก็ทำกันไปแต่มุ่งประโยชน์แก่ญาติโยมเป็นที่ตั้งคือไม่ใช่ว่าเอารายการบางรายการที่มีการวริ่งไรมาแล้วก็ตีกราดไปเลยว่าพระไปหาประโยชน์ คือส่วนใหญ่มันไม่มีประโยชน์นะนะแต่ประโยชน์มันมุ่งที่ตัวผู้ฟังก็หมายความว่าเนี้ยคือพื้นพื้นฐานของความเมตตาที่มีต่อกันเมตานั้นเป็นธรรมะสังคมหมายความว่าสังคมอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาได้จากจุดย่อยที่สุดคือคือคนสองคนที่จริงคนเดียวนะคือเมตตาต่อตอนเองแล้วขยายออกไปเป็นสองคนเป็นต้นไปจนกระจายมากเท่าไหร่เนี่ย มันจะสงบเวนสงบภัยสงบอันตรายได้มากริง่งขึ้นปัญายากรรมต่างๆที่หวาดวิตกกังวลกันก็คงจะลดน้อยถอยลงไปได้เพราะจึงเป็นจริยาหลักอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญบารมีเพราะทรงเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์หวังจะช่วยสัตว์ตรงนี้จึงกลายเป็นพื้นอัธยาศัยนะฮะเป็นลักษณะนิสัยของคน ที่อยู่ร่วมกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ั้องฟังทั้ไหลายแต่โรวงประพธิธาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเแบเตรานี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี